นะมันโชบของส่งไปแค่นั้นเองนไะหในในคัมภีร์นะพูดถึงอีกาตัวหนึ่งเขาเอาอาหารมุ่งเจาะจงสง่งนก็บินโชบไปเห็นอาหารก็เลยโชบไปก็ได้เป็นเป็ดเนไหนะม่นานจะเห็นแก่ว่าถูกกรามซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าไปได้มาแล้วก็ไปหลับไปนอนไปอยู่ไปมีความสุขมันนมนานอะไรนักหรอกเนะ ว่าถูกกรรมไม่เข้าใครออกใครอยู่กับใครคนนั้นเสียมอะไรเ <c oughs> มื่อเช้าพูดถึงอินซีห้าแล้วนะเป็นธรรมะที่ทเราวิเศษสภาคขยะเนี่ยนะเป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษยิ่งขึ้นเห็นมมันแสดงว่าผู้ที่มีอินซีห้าก็พิเศษขึ้นว่างั้นแต่ทำให้มีพิเศษ สภาพจิตนี้พิเศษขึ้นพิเศษขึ้นนะแต่ควรจำอัดที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะของอินทรีห้าคือสัตว์ทินทรีนี้เห็นที่โสตาปฏิยังค่าธรรม4ี่อย่างนะโสตาปฏิยังฆ่าธรรมก็คือ 1. มีศรัทธา ม, มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าสองในพระธรรมสในพระสงฆ์สี่ในศีลอันนี้หมายถึงผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้ว แต่โสตาปฏิยังฆ่าธรรมในที่นี้มุ่งไปที่หนึ่งคบสัตบุรุษ 2. ฟังธรรมของสัตบุรุษข้อสโยนิโสมนสิการข้อ4ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้หมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบั น, นสัตทินซีนี้ดูที่โสตาปฏิยังฆ่าธรรม4ี่ประการย้อนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งคบสัตบุรุษสองฟังธรรมของสัตบุรุษ 3. โยนิโสมนัสิการข้อ4ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมส่วนวิริยินรีนั้นพึงเห็นที่สัมมประธานสสัมมประธาน4ีนั้นข้อแรกก็คือสังวรประธานสังวรนี้หมายถึงปิดกั้นไม่ให้บาปอากุศลเนี่ยไหลเข้าสังวรนี้แปลว่าปิดกั้นสังวรประธานคือเพียนปิดกั้นบาปอากุศลไม่ให้ไหลเข้าข้อแรกนะข้อสอง ข้อสองปร ะ, ะประทานหมายถึงการกําจัดอกุศลวิตกทั้งสาประการเนี่ยนะเพียรกาจัดอกุศลวิตกทั้งสประการข้อที่สเนี่ยนะภาวนาประทานคือการเจริญโพชงโพชงให้เกิดขึ้นเนี่ยนะเจริญโพชงให้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนาประทานส่วนอนุรักษนาประทานก็คือตามรักษาสมถนิมิตที่ที่เจริญได้แล้วเนี่ยนะรักษาเอาไว้นั่นนะ เช่นอสุภาสัญญาที่ได้แล้วก็รักษาเอาไว้นะอันนั้นก็เป็นภาวนาประธาน อ, อ, อนุรักษณาประธานเพราะฉะนั้นสามมารประธานนี่มีสี่นะย้อนอีกครั้งหนึ่งสังวรคือปิดบาป 2. องปหานะละอกุศลวิตกข้อ3ภาวนาประธานคือเจริญภาวนานั่นเองเจริญโพชฌงนะนะข้ออนุรักษณาก็คืออนุรักษ กุศลเหล่านั้นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันนี้เรียกว่าสัตวิริยินรี่นี้พึงดูได้ที่สัมมาประธานสี่เหล่านี้ส่วนสติินรี่นี้ก็ดูได้ที่สติประธานสีน่กายานุป 1, ัสนาอย่างหนึ่งเวทนานุปัสนาอย่างหนึ่งจิตานุปัสนาอย่างหนึ่งธรรมานุปัสนาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสติสติสติินรี่นี้ก็ดูที่สติประธานสี่ ส่วนสมาธินีก็ดูที่ปฐมมาดูที่ฌานสี่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่4เนี่ยนะก็คือสมะถะนั่นเองส่วนปัญญนยินี้ก็ดูที่อริยสัจสี่นะทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจแล้วก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี่นะนี่มาขึ้นถึงธรรมะที่แทงตลอดได้ยากเนี่ยนะทุปติวิชชา โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่แทงตลอดได้ยากเนี่หมายถึงอริยมรรคนะนี่ก็มาดูข้อความในนิสสัญญาธาตุคือธาตุเป็นที่สลัดออกห้าประการเนี่ยนะสลัดออกกระถายถอนนี่อันเดียวกันคือนิสรณะนะเราจะแปลว่าสลัดออกก็ได้แปลว่าถ่ายถอนก็ได้ทั่วไปนิยมแปลว่าสลัดออกเนี่ยนะแต่แปลว่าถ่ายถอนก็ไม่ผิดอะไรข้อหนึ่งว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อพิสูจนในธรรมวินัยนี้กระทำไว้ในใจซึ่งกามทั้งหลายจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอกระทำไว้ในใจซึ่งเนคขมมะจิตย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนคขมมะจิตของเธอดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกไปดีแล้วพ้นดีแล้วพรากแล้วจากกามทั้งหลาย อาสะวะเหล่าใดบังเกิดขึ้นเพราะการเป็นปัจจัยมีความทุกข์และความเร่าร้อนเธอพ้นแล้วจากอาสะวะเหล่านั้นไม่ต้องเสวยเวทนานั้นอันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนคขมมะเป็นที่ถ่ายถอนตามทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้บ่งถึงว่าผู้ที่เจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยนะเจริญอสุภกรรมฐานแล้วก็ถือนิมิตเช่นนิมิตที่ได้จากผม ขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะให้เป็นอสุภะแล้วก็ทําอสุภะนั้นจนได้ปฐมฌ า, านก็ทําให้ได้ฌานพอได้ฌานเข้าฌานจากอสุภานิมิตนั้นออกจากอสุภานิมิตอันนั้นเนี่ยนะพอออกจากอนุสุภานิมิตนั้นเออลองมาคิดดูว่างามดูสิว่าใจมันจะน้อมไปหรือเปล่า น, นะคือเจริญอสุภะได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะมีอสุภะอย่างดีเสร็จแล้วก็น้อมมาคิดดูเอ๊ะมันงามจริงไหมเงี้ยนะพอออกจากปฐมฌ า, านเนี่ยพอ จิตแล่นไปให้ว่างามมันก็ไ so ม่งามจิตมันไม่ไปอ่ะเนี่ยนะก็ถ้าเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนกับว่าคนกินอาหารอร่อยจนอิ่มแป้แหละนะก็แล้วก็ลองไปดูที่คิดดูอาหารบูดนี่มันจะอร่อยไหมเนี่ยนะลองมาลองคิดจะกินดูนะว่ามันจะกินลงไหมเนี่ยนะมันก็ไม่เอาละเนี่ยนะจิตมันก็ถอยกลับอย่างนั้นแหละหมายว่า ประทมไมฌานที่เกิดจากอสุภะนั่นนะเป็นเป็นความอิ่มอย่างเหมือนกับอิ่มอมะตะอย่างนั้นนะทีนี้ท่านน้อมไปหาอาหารบูร ท, ที่ทิ้งค้างคืนไว้นานๆก็มันก็ไม่นึกอยากเลยว่างั้นจิตมันไม่เล่นไปซึ่งอัตถกถาบอกว่าออกจากอสุภะฌ า, านแล้วก็ส่งจิตเนี่ยมุ่งต่อการเพื่อทดสอบอะนะทดสอบยับทดลองดูนะว่าจิตมันจะไปไหมอัะนนะัในขณะนั้นนะแต่ถ้า อโยนิสโสมนาสิการบ่อยๆบ่อยๆก็ไม่แน่กำเริบคืนเนี่ยนะเพราะไข้มันยังไม่ได้รักษาได้แท้จริงเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเรกๆเลยเนี่ยถ้าธรรมดาแล้วน้อมไม่ไปแต่ถ้าโดยที่สุดแล้วผู้ที่จะทำกิจเช่นนี้ได้อย่างเต็มที่นี้หมายถึงพระนาคามีอย่างเดียวเนี่ยนะโดยเฉพาะพระนาคามีที่ได้ตตทยมร์เนี่ยนะ ต, ตัทยมร์แล้วก็ได้ออกจาก อนาคามีผลและจิตเนี่ยนะโดยเฉพาะเข้าอนาคามีผลสมาบัติแล้วก็เอาจิตมุ่งไปตรวจสอบดูกามนะเอชอบอ่นนะนะลองไล่สวรรค์เลยเออฉันนี่ชอบไหมฉันนี่นึกชอบไหมนึกชอบไหมจิตก็ไม่น้อมไปเนี่ยนะจิตก็ไม่น้อมไปอันนี้หมายถึงว่าเนคขมมะเป็นที่สลัดออกจากกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระอนาคามีโดยทั่วไปแล้วจุติก็ปฏิสนธิในพรหมโลกอย่างเดียวเนี่ยนะ ถึงสมุทาพระเทวดาทั้งหลายเกิดบรรลุปเป็นพระอนาคามีต้องจุติเลยนะถ้าบรรลุปเป็นพระอนาคามีจะจุติปฏิสนธิที่พรห ม, มโลก อ, อย่างยกตัวอย่างนางสริมมาเนี่ยนะนางสริมมานี้ฟังธรรมตอนเป็นมนุษย์ได้เป็นพระโสดาบันฟังธรรมตอนเป็นเทวดาก็เป็นพระอนาคามีแล้วก็จุติจากอนาคามีก็เกิดเป็นพรหมเลยเนี่ยนะ ก็จติจากเทวดานะก็เกิดเป็นพรหมเลยเพราะฉะนั้นก็ข้ามเร็วมากเนี่ยนะเ น, เน่คัมมะเป็นที่ถ่ายถอนกามแต่ต้องเน่คัมมะระดับปฐมฌานาานะจึงถ่ายถอนได้คือถ่ายถอนกิเลส ท, ที่เยื่อใยในวัตถุกามได้เนี่ยนะก็คือเห็นโทษของวัตถุกามและกิเลสกามทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องสลัดออกจากกามเนี่ยนะ การไม่ดียังไงสวยก็สวยเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมเป็นต้นเนี่ยนะอาหารก็อร่อยเมื่อกลางวันนี้ใครไม่อร่อยบ้างเงี้ยนะป่วยหรือเปล่าถ้าไม่อร่อยอย่างเงี้ยนะเอ๊ะทำไมต้องถ่ายถอนมันมีโทษยังไงหรือเนี่ยนะถ้าหากว่าอยู่ลําพังแค่แค่มองเหตุการณ์ เ, เฉพาะหน้านะโดยที่ไม่ต้องคิดเบื้องหน้าเบื้องหลังคิดอะไรทั้งหมดจะดูว่าไม่มีโทษแต่ถ้าใครครวญให้ละเอียดแล้วนะมันเป็นสิ่งที่มีโทษมากเนี้ยนะ มากยังไงก็คือการทะเลาะในโลกนี้ทั้งหมดเกิดจากกามก็เกิดจากวัตถุสลายนั่นเองเนี่ยนะถ้าวัตถุเนี่ยนะโดยเฉพาะปิยรูปสาตรูปคือวัตถุกามนี่เรียกว่าปิยรูปสาตรูปกิเลสกามคือสิ่งที่เข้าไปเพลิดเพลินในวัตถุนั้นๆเนี่ยนะถ้าหากว่าใครที่ฟังสักกะปัญหาสูตรมานี่คงจะนึกออกเลยใช่ไหมว่าการทะเลาะ เนี่ยนะการวิวาทความริเอ่อความทะเลาะวิวาทการมีเวรมีอาจยามีศัตรูการเข้นข่าการรบทั้งหมดเนี่ยนะสํานวนว่าอุบัติทั้งหลายที่เกิดในโลกเนี่ยเกิดเพราะอะไรเนี่ยนะหรือว่ า, วาในทุกขะขันตสูตรในอีกหลายแห่งในติดสะเมตยะสูตรเป็นต้นเนี่ยนะก็พูดถึง คือวัตถุกรรมเรียกว่าปิยรูปสาตรูปเห็นปิยรูปสาตรูปนี่มันเป็นเหตุของอะไรโดยลำพังนะผู้ที่ได้กับผู้ที่ไม่ได้ปิยรูปสาตรูปใครได้มัชฉริยะคนที่ไม่ได้ริสยา คนที่มัชริยะคือรักษาผลประโยชน์เนี่ยนะคนที่ริษยาแย่งผลประโยชน์แย่งชิงผลประโยชน์ทีนี้ไอการรักษากับแย่งชิงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็สงครามตามสมควรแก่วัตถุนั้นว่าวัตถุนั้นมันมีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าเป็นระดับ ทรัพย์สินก็ทั่วๆไปก็พี่ทะเลาะกับน้องถ้าขนมชิ้นหนึ่งเนี่ยนะก็ถ้าแบ่งกันไม่ลงคอก็พี่ก็ทะเลาะกับน้องอะนนเด็กเล็กๆกันนะถ้าหากว่าถึงกับมรดกชิ้นโตหน่อยก็ทะเลาะกันแรงกว่านั้นแม่ทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับแม่พ่อทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับพ่อพี่ทะเลาะกับน้องน้องทะเลาะกับพี่เนี่ยนะก็ตามสมควรแก่ว่าวัตถุเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบก็คือลูก โดยพูดแบบสัมนวนประมาทหน่อยนะภาษาธรรมะบางทีท่านก็จะไม่ค่อยพูดให้มันกระเทือนใครง่ายๆท่านก็จะเรียกว่ารูปนะเสียงเพราะเพราะกลิ่นหอม้อมรสอร่อยอร่อยเนี่ยนะโภตาภะท่านก็จะพูดท่นนี้แหละแต่ถ้าพูดให้เพิ่มมาละเอียดหน่อยอันนี้อยู่ในอะไรท่านก็จะแบ่งออกเป็นสองอันนี้ขยายเพิ่มให้เห็นหนึ่ ง, งคือสวิ ญ, ญญาณกะเนี่ยนะสะวิ ญ, ญญาณกะกับ อวิญญาณกะเนี่ยนะสาวิญญาณก ะ, นะ ะ, ญญณกะถ้าสมัยโบราณก็ช้างม้าวัวควายธาตุกรรมกรทั้งหลายสิ่งมีชีวิตอ่ะนะช้างม้าวัวควายธาตุกรรมกรแพะแกะไก่หมูเป็นต้นเนี่ยนะก็แย่งเพราะนั้นอนะ่ะถ้าเป็นอาวิญญาณกะกะก็ที่ดินเนี่ยนะที่ดินแย่งแม้กระทั่งธรณีสงองงันเลยเพราะฉะนั้นเพชรพลอยทั้งหมดอะ่ะบ้านช่องเลือกสวนไร่นาะทั้งหมดที่เป็น ที่เรียกว่าแล้วแต่ความน่าปรารถนาอันนี้เนี่ยนะมันก็กรจะเกิดทะเลาะกันเกิดแย่งกนันก็เกิดทะเละวิวาทแต่ถ้าสวญญ า, าวิญญาณกับอวิญญาณน่ยกะอย่างเนี้ยถ้าระดับประเทศเนี่ยนะก็สงครามใหญ่โตเนี่ยนะมันก็ทะเลาะบ่อแวงกันนะพระราชาพม่ายกมาตีไทยพระราชาไทยอยากได้เมืองพม่างก็ยกทะเลาะกันเป็นสงครามประวัติศาสตร์ก็อยู่อย่างนี้แหละ นะก็ศึกชิงเนี่ยอวิญญาณกับสากิญญาณเนี่ยนะถ้าสมัยไหนที่มนุษย์มีประชากรน้อยพม่าเขาว่างๆเขาขาดคนงานเขาก็เเณฑนมรบไทยขอยืมคนงานไปใช้หน่อยเนี่ยนะก็กรนคนไทยอ้าไปเป็นคนงานอยู่พมา่าเนี่ยนะเขาก็จะทำกันอย่างนี้แหละก็แล้วแต่ว่าความประนีตของปิยรูปกับสาตรูปนั้นก็ทะเลาะกันตลอดเนี่ยนะก็ศึกแย่งชิงสงครามเสร็จแล้วก็ ในระหว่างการแย่งชิงเนี่ยมีอะไรก็มีทุจริตทางกายเนี่ยนะอย่างหนึ่งนะฆ่าถ้ามีการฆ่าก็คิดค้นเครื่องมือที่จะฆ่าเนี่ยนะนี่อย่างหนึ่งก็คือปาณาธิบาตฆ่าทีนี้บางอย่างก็ต้องอาธินนาทานเนี่ยนะลักเอาปล้นเอากงเอาหรือไม่ก็ถ้าแบบโบราณเลยนะกษัตริย์บางเมืองเนี่ย ที่ไปตีเมืองอื่นจริงๆก็ไม่ได้พิสว่าทรัพย์สินอะไรหรอกเพียงแต่ข่าวว่าเมืองนั้นน่ะยิงงามเท่านั้นเอง<า>เนี่ยนะมีลูกสาวงามอะไรงามก็ก็เท่านั้นจริงๆเนี่ยนะทหารตายเป็นบางเป็นเบือเลยนะเกณฑ์ไปเพื่อที่จะเอาเมียคนเดียวเนี่นะคนอื่นเดือดร้อนตายกันทั้งบางเลยเนี่ยนะไปแย่งเอาขันห้ามาเนะา่ะเสร็จแล้วทีนี้ไอการที่จะฆ่าได้วางแผนฆ่าได้มันก็หนึ่งมูซา ล่อไปฆ่าก็ต้องมูสาใช่ไรับบางอย่างก็ต้องพุทธวาจาเนี่นะการที่จะทําให้แตกแยกได้ก็ต้องส่อเสียดเนี่ยนะก็ส่อเสียดทําให้มันแตกแยกกันทําให้บางบางทีนะก็เข้าไปมูสาวาจก่อนถ้าเข้ามูสาวาจไม่สําเร็จไปทําให้เขาแตกแยกกันซะเนี่ยนะไอการที่จะแตกแยกก็เอาคําฝ่ายโน้นมาด่าฝ่ายนี้คําฝ่ายนี้ไปด่าฝ่ายนั้นแต่ทั้งหมด ก็เพอร์เจอร์เนี่ยนะรากก็คือเนี่ยอภิชามันจะเอาอย่างเดียวนเนยส่วนที่ปรารถนาก็จะเอาไอ้ส่วนที่ไม่ปรารถนาก็พยาบาททาลายมันซะสมมติถ้าอยากได้ปีรูปสาตรูปอันนี้เนะี่ยมันโดยทั่วๆไปของในโลกมันจะมีเจ้าของถ้าเราจะเอาของอันนี้เนี่ยจะคิดยังไงกับเจ้าของ อภิชาก็มีปิยรูปสาตรูปมันจะเอาปิยรูปสาตรูปส่วนพยาบาทนี่ก็ทําลายเจ้าของซถ้าสำนวนว่าถ้าไม่มีเจ้าของปิยรูปสาตรูปอันนี้จะไม่มีปัญหาเส ม, มือนกับสมมุตินะถ้ามันมีมะม่วงอยู่ลูกหนึ่งมดแดงมันตอมเต็มไปหมดเลยเนี่ยถามจะทํายังไงจะกินมะม่วงจะค่อยๆเป่าออกไม่ค่อยไล่ออกไม่ บางทีมากัดมันก็ทุบฆ่าก็ฆ่ามดน้ําหมดเลยนะกว่าจะได้กินมะม่วงลูกนั้นนะ่ะพอดีถ้ามันเป็นมะม่วงก็ดีไปนะแต่มันมะม่วงเจือยาพิษ อ, ะ, อนะ่เียนะเพราะฉะนั้นก็กินสารพิษเข้าไปเต็มไปหมดเลยะฉนั้นผู้ที่ทำบาปโดยม่ากนี่อยู่บนพื้นฐานของมิจฉาทิฐิกรรมไม่มีผลเนีย่ยนะปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธดีปฏิเสธชั่วก็เลยทาชั่ว ทั้งหมดนี้จุดมุ่งหมายก็ต้องการแย่งชิงปยรูปสาธรูปต้องการเหรียญตราอันเดียวเนี่ยนะก็ต้องการแย่งชิงกันอะไรการเข็นค่ากันทะเลาะกันแล้วปยรูปสาธรูปมันเกิดจากอะไรเนี่ยนะทำไมจึงไปให้ค่าว่ามันดีหรือมันแพงเนี่ยนะของเหล่านั้นนะมันอยู่ที่การให้ค่านะถ้าไม่ให้ค่ามันจะหมดราคาทันทีมันอยู่ที่การตีราคานะ ก็อยู่ที่ตันหามันอยู่ที่ตันหาประเมินค่าตันหาประเมินว่าสิ่งนี้มีค่านะอิฐก็อนนี้มันจะเป็นมีของมีค่าที่เรียกว่าต้องใช้เงินทองเป็นคันรถอะมาซื้อชิ้นหนึ่งยังก็ได้เพราะอะไรเพราะอยู่ที่การประเมินค่าประเมินค่านี้คือตันหานั่นเองเนี่ ย, ยนะคือตันหาเป็นตัวประเมินแต่ที่มาประเมินแบบนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากวิตก ตรึกอย่างไข่ครวญเรียกว่าสัมนวนแหมรอบครอบเหลือเกินเนี่ยนะไข่ครวนเบ็ดเต็ดหมดแล้ววิตกอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากตันหาตันหาเกิดจากเวทนาเนี่ย네นั่นก็้าเวทนาเกิดจากอะไรก็เกิดจากผัสสะเห็นไผัสสะเกิดจากอะไรก็ ส, รยย ส, สลายตนะเนี่ยนะสลายตนะก็มาจากอะไรก็นามรูป นามรูปก็เพราะเกิดนั่นแหละนะนามรูปมาจากไหนมาจากชาติก็ได้ชาติมาจากไหนนะชาติกับวิญญาณนี่กลุ่มเดียวกันก็มาจากกรรมกรรมมาจากไหนก็มาจาก น, นี้แหละก็หมุนระบบก็อยู่อย่างเี้นะดูเหมือนฉลาดมากแต่ก็ไม่ใช่นะก็วนไปวนมาเนี่ยนะก็ อีกสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสนะว่าโลกโลกเมื่อเกิดขึ้น น, นะโลกเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าโลกอะเกิดขึ้นอ ะ, อะไรเกิดถามว่าตอนที่เราได้ชาติเนี่ยได้อะไรม า, าก็ได้ตามาได้หูมาจมูกมาได้เลนมาได้กายตัววิญญาณก็ใจไป น, นะก็ได้ตาหูจมูกเลนกายใจก็ โลกเมื่อได้โลกอันนี้ขึ้นมาโลกก็มาเชยชิดกับอันนี้ปิยโรบสารโรบใช่ไหมีมีอัออยตนะภายในก็เพื่อสรรหาอายัยตนะภายนอกถามว่าทั้งหมดเนี้เกิดจากอะไรตัวเนี้คือโซ่โซ่อันนี้ทางธรรมะเรียกว่าสังโยชนี่นนะเป็นเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดเครื่องมัดเครื่องอะไรก็ได้ ตามันก็อยู่ของตานั่นแหละสีก็อยู่ของสีอ่ะแต่สังโยชน์มันมัดไว้เนี่ยนะตาควรจะเห็นสีแบบนี้นะฉันมีหูฉันควรจะฟังเสียงแบบนั้นนะฉันมีจมูกควรจะรู้กลิ่นแบบนี้นะฉันมีลิ้นควรจะรู้รสแบบนี้นะตัลหาจะเป็นเครื่องมัดเอาไว้เนี่ยนะตัลหาเนี่ยมันเป็นมัดนะงานการตรงๆของตาลหาเนี่ยเขาจะให้ผลเป็นชาติ แต่ชาติจะดีจะชั่วจะเลวจะต่ําก็อยู่ที่กรรมอยู่ที่กรรมเนี่ยเนี่ยนะเพราะในในการกําจัดกิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยเขาจึงมาระ ง, งับกรรมก่อน น, นะมาลดกรรมชั่วตัณหามันลดเลยทันทีไม่ได้คุณต้องมาระ ง, งับทางความชั่วก่อนนะไม่ประพฤติทุจริตแต่มาประพฤติให้เป็นสุจริตแทนเนี่ยนะแทนที่จะมาเป็นปาณาติบาตก็เป็นเมตตา แทนที่จะเป็นอธินาทานก็เป็นอะไรก็ให้รู้จักให้บ้างแทนที่จะเป็นการเมสุมิจฉาจาร์ก็ถือโบสดะยังไงรักษาตีนแปดแบบนั้นเถอะแทนจะมุสาว่าก็มาพูดคําสัตว์คําจริงแทนที่จะพุทวาราด่าก็มาพูดไพเราะเนี่ยนะมาพูดไพเราะพูดด้วยเมตตาจิตแทนที่จะพูดให้เขาแตกแยกกันก็พูดให้เขาสมาัครสมขขัคคีอ่าสามัคคีกันแทนที่จะพูดเพ้อเจอ้าก็มาพูดอริยศาสตร์แทน นนะมาพูดอริยศาสตร์แทนแทนที่จะอภิชา ม, มากก็เจริญว่าเจริญอะไรรู้จักเจริญว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยนะก็ล่วงพ้นความแก่ไม่ได้และแสวงหาความแก่ระทาไมเนี่ยนะจะตายอยู่แล้วก็สแสวงหาสิ่งที่ตายอีกหรืออย่างเงี้ยก็มาเจริญประเภทนี้มากๆเนี่ยนะมาช่วยกันคือคนมันจะตายสองคนเนี่ยนะจะไปหาคนที่ตายเป็นมาอีกคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ตายลดลงอะไร ก็เจริญพวกนั้นเป็นถ้าพยาบาทนะเราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายของเขาเองไม่ต้องไปโกรธอะไรเขาหรอกเนี่ยนะเขาก็ตายของเขาอยู่แล้วละ่ะก็มาเจริญพรห ม, มหารเมตตาแทนเป็นมิจฉาทิฐิก็มาพิจารณาถึงวงจรของปฏิจจะเหล่านี้นะก็จะกลายเป็นสัมมาทิฐิค่ะก็ประพฤติสุจริตสุจริตสามที่บริบูรณ์อันนี้คือจตุปาริสุทธิศินสีเนี่ยนะ อันนี้คือจะตุปปาริสุทิสีถ้าประพฤติสุจริตนี้ได้อันนี้สุจริตเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นอาหารของอะไรก็เป็นที่ตั้งของสติปัฏฐานสี่หรือเป็นที่ตั้งของมันก็แบ่งออกเป็นสองส่วนคือสมถะกับวิปัสนาถ้าสายที่มุ่งสมถะล้วนๆโดดๆพวกนี้ก็จะข้ามพ้นกามคือเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะพวกที่มุ่งสมถะล้วนๆ น, นะ เพื่อที่มุ่งวิปัสนาลุล้วนก็ก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะจึงจึงจะพ้นจากวงจรเหล่านี้ได้แต่ถ้าทั้งสมถาวิปัสนาถ้าได้ทั้งคู่ก็เป็นสุ ข, ขาปฏิปทาเนี่ยนะพวกนี้จะปฏิบัติเป็นสุขกิเลสไม่ไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะกิเลสไม่กลุ้มรุมก็ปฏิบัติเป็นสุขเพราะฉะนั้นก็จะออกจากกามทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสมถาวิปัสนาที่เป็นโดยเฉพาะอนาคามีมัก จึงจะจึงจะตัดวงจรเหล่านี้ออกไปได้ถ้าไม่ไม่ได้ระดับอนาคารมมัช ก, ก็ยากที่จะตัดวงจรเหล่านี้ได้โดยที่สุดแม้แต่พระโสดาบันก็ยังเกี่ยวข้องกับกับสิ่งเหล่านี้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งนางวิสาขาเนี่ยโขกลางวันน่ยนะแทบจะอดเข้าเข้าไปในวัดพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวนางวิสาขาไปยังไงวันนี้มาแต่วันเนี่ยนะก็ชงเที่ยงเที่ยงร้อนเปรี้ยงเลยนะก็บอกว่าหม่อมชั้นเนี่ย ญาติเขาส่งของมาจากเมืองสาเกตมาให้เห่งนั้นเอ้เมืองสาเกตใช่ญาติเขาส่งของมาให้เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บไว้เขาก็กักันนะทีนี้ก็ต้องเข้าไปหาพระราชาให้พระราชามาเคลียร์ให้ทีแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งถวายพระราชาทีนี้พระราชามันก็อยู่แต่ในวังอ่ะไม่ออกรับแขกอะไรสักอย่างเลยนะไม่ออกว่าราชาการไม่ออกอะไรเพราะอยู่แต่วังในอ่ะ ท่านางก็เลยไปตั้งหลายวันก็มาคอยดู ก, การในงานก็บอกก็เหนื่อยเปล่านะก็เลยแทนที่จะมานั่งเดือร้อนนี้ก็ไปวัดดีกว่าอย่างเงี้นะก็บอกว่าประโยชน์ที่ที่วางไว้กับผู้อื่นนี่มันเป็นทุกข์เหมือนกันเถอะประโยชน์ทั้งหลายนะถ้าอยู่กับผู้อื่นแล้วมันเป็นทุกข์เหมือนกันทีนี้ถ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่สุดเป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้พ้นเลยเพราะอะไรความเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมก็ยังมี ถ้ามีตาหูจมูกเล่นกายใจอ่ะก็เป็นที่ตั้งของอายตนะภาษาและเวทนาเฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้นะมาทําที่เรียกว่าปริญญาไม่ทําปริญญาให้บริบูรณ์แล้วอ่ะยากที่จะไม่เป็นทาวารของตันหาหรือมวิตกนี่นะไม่เป็นทาวารของตันหากับวิตกนี่ยากเต็มทีเท่าถ้าไม่ได้ทําปริญญารอบรู้ใน ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมตาหูจมูกลิ้นกายอย่างดีก็เรียกว่ากายภาวนาเนี่ยนะผู้ที่อบรมจิตเป็นอย่างดีเขาเรียกว่าจิตตภาวนาเนี่ยนะกายภาวนาจิตตภาวนาก็คือการเอาสิ่งเหล่านี้มาเจริญให้เป็นสมถะวิปัสนาให้ได้ถ้าพวกนี้ไม่เป็นวัตถุของการเจริญสมถะวิปัสนาไม่มีหลอกที่จะเย็นไม่มี เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งนะถ้ามีตามันก็อดไม่ได้ที่จะดูทีนี้นไอการที่จะดูขึ้นมันทํำยังไงอ่ะจึงจะได้ดูสิ่งนั้นๆได้มีหูมันก็อยากจะฟังอ่ะนะทํายังไงจึงจะได้ฟังขึ้นมานี่คือที่มาของการทําชั่วทั้งหมดเนี่ยนะก็เนื่องจากมีตาเนี่นแหละทะเลาะก็เพื่อจะเห็นนี่นแหละทะเลาะก็เพื่อที่จะฟังทะเลาะเพื่อที่จะรู้กลิ่นก็ก็อยู่เท่านี้เห็นไหม น, นั้นไอ สมถามวิปัสนาที่อบรมในทวารทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างเป็นเปี่ยมนั่นแหละจึงจะถ่ายถอนได้เนี่ยนะตอนที่เราอิ่มนะเราจะนึกว่าเราคิดไม่ทะเลาะเรื่องอาหารหรอกถ้ายังอิ่มอยู่นะแต่ถ้าเกิดหิวขึ้นมาแล้วก็ชิ้นมันน้อยเดียวแล้วก็คนหิวมันก็เยอะอนะไอ้ที่ว่าแม้ทุกคนเ อ, อเื้อเฟื้อเมตากันนะเราหารสามนะก็จะได้คนละชิ้นไปเนี่ยนะไม่มีใครอิ่มอย่างแท้จริงแล้วก็แบ่งกันกินไป ไม่เป็นอย่างนั้นทำยังไงนะฉันจะได้สองส่วนไอ้พวกนั้นได้หนึ่งส่วนแต่มันผ่ากันครึ่งละครึ่งอย่างน้นนะมันก็จะคิดแบบนั้นอนะ่ะอ <c oughs> ันวงจรเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้อนาคามมมัค ก, ก็ตัดไม่ได้แต่ว่าอนาคาเมมัค ก, ก็ต้องอยู่ที่ว่าเห็นโทษสิ่งเหล่านี้พอไหมถ้าไม่เห็นโทษนะอนาคามมมัค ก, ก็เกิดไม่ได้ เพราะอย่าลืมว่าผู้ที่เจริญธรรมะเพื่อออกจากวัตตะเนี่ยนะมันต้องมีอัธยาศัยใหญ่ๆอยู่สองอย่างเนี่ยนะอัธยาศัยกว้างๆหลักๆเลยนะหนึ่งเห็นโทษเนี่ยนะสองรู้ทางออกเนี่ยนะอันนี้ เ, เรียกว่าอาทีนบเนี่ยนะอันนี้นิสรณะนะ ถ้าไม่รู้คุณสองประการนี้ก็ก็ยากแต่คนที่จะรู้โทษ ด, ดีก็คือคนที่รู้จักสิ่งที่ตรงกงันข้ามที่เรียกว่าอัาทะเนี่ยนะอัาทะก็คือถ้าสมมตินะถ้าเป็นอะไรดีถ้าเป็นข้าวข้าวหนึ่งจานนะคนที่เห็นโทษอะ่ะคือคนที่รู้คุณของมัน คนที่เห็นโทษของข้าวอย่างแท้จริงอะ่ะคือคนที่รู้คุณของข้าวอย่างแท้จริงคือคือมันในสิ่งเดียวนะมันจะต้องแบบมันจะมีทั้งคุณทั้งโทษคนที่รู้โทษก็แสดงว่ามันมีส่วนนะเขาจึงติดกันเนี่ยนะมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พุทธศาสนาจะเข้ามาในส่วนนี้คือจะบอกวิธีออกให้ว่าออกได้อย่างนี้นะเนี่ยนะ นั้นก็พูดแบบหลักๆ ก, ก็คือหนึ่งรู้โทษกับเข้าใจทางออกเป็นอย่างดีนั้นในการรู้โทษอันนี้เท่ากับตัวโทษเนี่ยคือทุกขสัตว์ตัวความเพลดิดเพลินนั้นเป็นสมุทัยสัตว์แล้วก็ทางออกคืออ่ น, นะมรรคกับนิโรธสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจสี่ประการเนี่ยจึงคิดจะออกอย่างแท้จริง แต่ถ้าไม่ได้องค์คุณเหล่านี้นะพูดเถอะพูดให้มันเหนื่อยขนาดไหนมันก็ไม่ได้ผลเห็นไหมเพราะว่าบางคนนี่เขาเห็นแต่ด้านอร่อยทีนี้ไอ้ด้านคนเห็นโทษเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักความอร่อยก็ไม่เรียกอะไรู้จะเห็นโทษจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเห็นโทษเพราะยังไม่ได้กินก็ได้ นั้นอาาคามีมรรคเนะจึงจะถอนเรื่องวงจรของกามได้อย่างเด็ดขาดในโลกของวัตถุนะของมายังไม่เห็นอะไรมันเป็นที่ตั้งคือไม่เป็นที่ตั้งของบาปบ้างยังไม่นึกไม่ออกเลยว่ามีสักอย่างหรือเปล่านะที่เป็นโลกิยะธรรมทั้งหมดนะไม่เป็นที่ตั้งของบาปเลยนะมีไหมไม่มียาว่าแบบรูปประคันขันห้าแบบธรรมดาเลย เอาขันท่าพระพุทธเจ้ามาเถอะคนก็ยังคิดบาปกับท่านอีกนันะพระหารคนก็ยังคิดบาปกับท่านอีกนะพระโมคคัลลานะเนี่ก็โหต้องจ้างฆ่าพระโมคคัลลานะเนี่ยถูกจ้างฆ่าเขาเขาถือว่าท่านเป็นตัวขัดขวางลาบเขามากถ้าท่านองค์นี้ตายซะอย่างเดียวนะของของเขาก็อยู่ได้อีกสบายเพราะนั้นก็เลยคิดฆ่าพระรหาร พรนะพุทธเจ้านี่ก็ถูกหาเรื่องตลอดเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่นะก่อนที่พระ อ, องค์จะมาตรัสรู้เนี่ยนะเดียรตีมาโปรยมิจฉาทิ่ฐิไว้เต็มไปหมดเลยก่อน <c oughs> ก็นับว่าเป็นผู้ที่เผยแผ่แบบค่อนข้างทุกข์มากนะถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะของพระ อ, องค์เนี่ยเหนื่อยกับเพื่อนแต่ว่าถ้าโดยระยะเวลาพระ อ, องค์ก็สั้นกว่าเพื่อนเนีย่ยนะ ค, คือการอยู่ใ น, ในโลกน ะ, อ, ะอย่างพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆสมมติถ้า 80,000 ปีเนี่ยนะแปดหมปีนี้ลองหารเหลือสส่วนอะ่ะเท่าไหร่ก็ประมาณสัก6 0,000 กว่าปีนะพระองค์ก็จะมีพระชนอยู่6 0,000 กว่าปีเท่านั้นเองถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเกิดมาในเกณฑ์โดยเฉลี่ยมนุษย์100ปีเนี่ยพระองค์ก็จะอายุ80ปีอันนี้ถือว่าธรรมดาเลยเนะีคือจะต้องปรินิพานในส่วนที่สี่ที่หมดส่วนที่4จะเข้าส่วนที่5จะปรินิพาน อันนี้ถือว่าเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกองนะก็จะมีชีวิตอยู่สี่ส่วนถ้าแบ่ง 5, แบ่งชีวิตทั้งหมดเป็นห้าส่วนก็มีชีวิตอยู่สี่ส่วนพระองค์นี้มีชีวิตอยู่แค่แปดสิปีเนี่ยนะทั้งทั้งทั้งหมดเลยแนะตั้งแต่เด็กมาแต่ก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่สี่สิบห้าปีถ้าถ้ามองถึงความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยกว่เพื่อนคือเหนื่อยแบบแต่เหนื่อยแป๊บเดียว แต่การเทศพระพุทธเจ้าองค์อื่นนะสบายๆแต่ว่ามียอายุหกหมื่นกว่าปีเงียนะจะท่าเผยแพร่แบบค่อนข้างไม่ได้ถึงกับรีบเร่งรีบร้อนมีอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมมุตระไม่มีเดรัจฉ์เลยไม่มีคนนอกศาสนาเลยอ่ะพระอ้าวแกหาเรื่องมาเลิ่มาเทศให้จบป่ะถึงไตสรณคมกลับไปหมดแล้วใครจะมาหาเรื่องกับเทศให้ถึงไตรสรณคมไปหมดแล้วเงี้ยนะถึงพระรันาตน์ไตหมดเลย มันไม่มีเดรัทธีแบบนั้นเถอะสงบจากเดรัทธีหมดเลยแต่ของพระ อ, องค์นี่ไม่เป็นอย่างนั้นเดรัทธีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยนะก็ต้องอย่างพระเชตวันเนี่ยพอลงมือสร้างอ่ะนะเดรัทธีก็มาสร้างอยู่ใกล้ๆวัดอีกนั่นแหละเลือดรนะ้อนนเชตวันที่สร้างสมัยที่สร้างเชตวันเนี่ยนะแรกๆเลยอะ่ะพระพุทธเจ้าเออนาถะก็สร้างเชตวันใช่ไหมตอนหลังนี้ เดรธีก็มากว่านซื้อที่ใกล้ๆเชตาวันนั่นแหละก็สร้างวัดเลยพอสร้างวัดนี้ก็ทําพอสร้างวัดเสร็จเอ๊ะทำไงดีอเดี๋ยวพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะแกเลยเอาสตังเนี่ยไปยัดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเลยเดรทีเนี่ยเรียรายสตังเนี่ยเอาไปยัดให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลถ้าทางโน้นมาฟ้องยังไงให้เงียบไหมนะไปเอาสำนวนมายัดปากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไว้ก่อน ทีนี้พระพิสุพอบอกว่าตรงโน้นเขาสร้างวัดมันก็เสียงดังโฉลมุนวุ่นวายใกล้ๆเชตาวนนั่นนหะพรพุทธเจ้าก็ใช้ให้พระพิสุไปไปเรียนพระเจ้าเสรตที่โกศลพระเจ้าเปรตที่โกศลทาเป็นใหม่รู้ใหม่ชี้ใหม่ได้ยินเนี่ยนะหลับงูหลับตาตลอดเนี่ยแล้วก็ตอนหลังภาษาริบุตรพระโมกขลานะไปอีกก็ไม่สนใจอีก แล้วก็พระเหล่านั้นก็มากลับมารายงานพระพุท ธ, ธเจ้านะพระองค์ก็เปรยมาว่าพระราชาพระองค์นี้จะไม่สวรรค์นกทหรือยังไงหมายถึงว่าจะอยู่ในโลกนี้มันอมาตะาหรือยังไงว่างั้นเหรออ่า น, นะจะอยู่เป็นอมาตะหรือยังไงไม่ตายเป็นหรือยังไงเนี่ยนะให้สองทะเลาะ ก, กันเนี่ยคือถ้าให้นักบวชสองลัทธิทะเลาะ ก, กันแล้วประเทศชาติมันจะเดือดร้อนงง น, อนั้นเห็นไนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปเองเลยองค์ก็ไปพระเจ้าเปรสันนี้โกศลก็ต้องออกรับอยู่แล้วอ่า น, นะ พอมาพระ อ, องค์ก็ตรัสถึงว่าถ้านักบวชสองรัฐที่นี่นะทะเลาะกันแล้ว่ประเทศชาติมันจะอยู่ใต้ทะเละพระ อ, องค์ก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเลยว่าเคยมีนะฤาษีสองกลุ่มนี่ทะเลาะกันตอนหลังฤาษีเนี่ยจากไปเทวดาทางเนี่ยโกรธเลยทําที่ตรงนั้นให้เป็นทะเละไปหมดเลยเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็เล่าถึงโทษให้ฟังเสร็จแล้วก็ตอนหลังพระเจ้าปเปเสนที่โกศลก็สั่งให้เดรธีออกไปเนี่ยนะก็เลยพระเจ้าปเปเสนที่โกศลก็เลยสร้างวัดอีกวัดหนึ่งขึ้น ให้กลุ่มพิษุณีเ น, นี่ยอยู่ให้พระพิสุอยู่เหมือนกันนี่ไงมันเออเกี่ยวกับเรื่องการ์แล้วก็มาถึงยุคไหนมันก็เดือดร้อนไปหมดอะนี่ไงถ้าอย่างพระเจ้าสมัยที่แม้ในเะมืองราชครึกพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระราชานะสมบัติอันนั้นเนี่ยของเมืองราชครึกแผ่นดินมคททั้งหมดเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารนี่รักพระเจ้าชาติศัตรูมาก ยังไงยังไงก็ต้องยกให้อยู่แล้วแต่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูก็อดไม่ได้ที่ว่าต้องฆ่าพ่อมันจริงจะ บ, บริหารบ้านเมืองอยู่อย่างเป็นสุกเนี่ยนะคนอื่นมาเสียมสอนเพราะฉะนั้นวัตถุกรรมเนี่นะมันเป็นที่ตั้งของการทําบาปอากุศลอย่างมากๆเลยนะก็วันที่ไปเที่ยววังวังหนึ่งไงวังฆ่าพ่อนะวังอะไรนะคุณหมอวังแดงกันนะป้อมแดงกันนะนะป้อมแดงก็ป้อมนั้นก็ป้อมฆ่าพ่อนะนะั่นแหละ เนีนะเนี่ยนมะันสมบัติทั่วๆไปนะที่ไม่เป็นที่ตั้งของการฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือไม่เป็นที่ตั้งของการฆ่าพระอรหันตธรรมนันติยกรรมนี่หายากถึงไม่ทำกรรมเหล่านั้นนั้นก็ทำกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือมิจฉาทิฏฐิกรรมเนี่ยนะวันสังขารที่เป็นไปในวัตฏะสามน ะ, ะผู้ใดที่ไปเพลิดเพลินหรือรุ่มหลงหรือเข้าไป เข้าไปมีอุปาทานเนี่ยนะด้วยอำนาจกามอุปาทานเป็นต้นที่รอดพ้นจากการทำกรรมนี้หายากนะนี้ถ้าหากว่าทำกรรมแล้วก็กรรมทั้งหลายก็ไม่ได้ละเว้นใครเลยนะ